เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ถึงสิขาบทที่เจ็ดนี่ตัดท่าน้าสิขาบทเกี่ยวกับฉุดข้าพิสุปตอกจากปุติของสงนะครับตั้งบรปราจิตีนะนี้เมื่อวานเนี่ยได้ว่าใ้ทางต้องบรรยักแรกครับนี้ก็มาเข้าขาวที่บ้านได้เลยในตังขาหน้าหนึ่ง้าเจ็ดสิบสี่ข้อที่เจ็ดนะรับังาหน้า174เจ็ดสิบสี อธิบายนิกกัตทานะสิกขาบทเพิ่งสราบอธิบายสิกขาบทที่เจ็ดต่อไปคําว่ากุปิโตแปลว่าโกรธแล้วคําว่าอนัตตมโนแปลว่ามีใจไม่ยินดีโก oh, ไม่พอใจนะในคํานี้ว่านิกกัตเธอยวานิคัตาเปยวานปาจิตติยังในเ น, น, นาสนาขมาน่แปลอันนี้แปลว่า จุดฆ่าก็ดีให้จุดฆ่าก็ดีนะครับเป็นแบไ ป, ป, ปตีในเสนาธนทั้งหลายเช่นปราสาทหลายชั้นศาลาสี่มุกที่มีซุ้มประตูอยู่มากแห่งพิสูจน์ฉุดล่าไม่หยุดในระหว่านก็คือฉุดไปทีเดียวเลยนะไม่มีการหยุดเลยนะครับ <S <S ให้ผ่านออกจากที่นั้นๆต้องบบาจิตตีตัวเดียวด้วยความพยายามทั้งเดียว ถึงแมว่าจะผ่านกี่ประตูกี่ชั้นกี่ประตูก็แด้แต่นะแต่ว่าล่าไปทีเดียวเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตีตัวเดียวเดี๋ยวฉุดเดี๋ยวหยุดนะครับเมื่อก้าวผ่านออกจากที่นั้น น, นด้วยความพยายามหลายครั้งต้องบัตรปันตีหลายตัวตามจำนวนประตูเพราะว่าบุรีคนออกไม่อยากจะออกไปก็ได้นะคนนี้ก็เด่นนะคนนี้ก็จะร้านไว้นะครับก็เลยเดี๋ยวฉุดเดี๋ยวหยุดนะหรือว่า ฉุนแล้วไม่ค่อยมีแรงงานก็เลยเท่านั้นเนี่ยแค่หลายกรณีนะไม่ได้ทวบเดียวนะครับถ้าลักษณะนี้ก็จต้องแบบตั้งตีหลายตัวเลยตางมืนประตูะว่าล่าตัวไฟผ่านกี่ประตูนะครับต้องตามประตูนั้นไม่ได้แตะต้องมือใช้วาจานะพูดว่าท่านจะออกไปไล่ออกไปออกออกไปนี่นะว่าเลย ถึงจะเป็นการให้ออกไปด้วยวางจา้าก็ตามต้องอาบัดตามในนี้เหมือนกันก็คือท่านไล่นะครับออกลยทีเดียวก็ตัวเดียวใช่ไหมแต่ถ้าต้องไล่บ่อยๆนะครับมันคอยตัดข้อคอยว่านะเกลี่ยออกไปหน่อยแนละ้วก็หยุดแล้วก็ว่าอีกนี่นะครับก็เป็นหลายตัวนะตามจำนวนประตูะครับส่วนที่ให้พู่นฉุดไล่ออกไปอันนี้ใช้นะ เมื่อสั่งว่าท่านจงล่าออกไปดังนี้ต้องบัตรทุกกฎนะครับเพราะสั่งต้องทุกกฎก่อนผู้สั่งสั่งครั้งเดียวแต่ผู้รับคำสั่งให้ผ่านประตูหลายช่องผู้สั่งต้องบัตรไปตีตัวเดียวเพราะว่าสั่งเดียวนะแต่ถ้าผู้รับคําสั่งถูกสั่งเจาะจงอย่างนี้ว่าท่านจงฉุดล่าออกไปให้พ้นจากประตูประมาณเท่านี้มีการเปิดประตูด้วยนะให้ล่าออกไปเนี่ยนะครับกีบ ป, ประตูว่าออไป หรือว่าท่านจงฉุดลากออกไปให้ถึงประตูใหญ่เนี่ยมตกตูไปนะครับลากตัวออกไปให้ถึงประตูใหญ่เลยนี่นะครับผู้สังนันไม่ใช่ผู้รักสา่นะครับผู้สั่งต้อบัะบานจิตตีตามจุนวนประตูกี่ประตูก็หน่ยไปนะเห็นเกิดสิขาคนนี้พระพาเจ้าทรงบาลปิสุทธะปีในเมืองสามวัฏถี ทรงบัญญัติไปแล้วต้องเหตุคือการฉุดลากพิสุทธออกจากวิหารของสองเป็นสาธารณบัญญัติอันนี้จำไว้ให้ดีนะต้องเป็นกุฏิที่อยู่ของสงนะครับของอันนี้สาธารณบัญญัติในพิสุนีก็มีเหมือนกันสาธาติกะใช้ก็เป็นือครับชุดเองก็ดีฉุดก็ดีนะเป็นเท่านั้นติกะไปดีก็คือวิหารของสองนะครับ เข้าใจนะสงสยัยสมัมพันธ์ผิดชุดลาเ อ, อกไปต้องบัตรนั้นนะครับถ้าเป็นวิหารสวนบุคคลเนี่ยยังเป็นติกาทุกกฎนะครับต้องบัตทุกกฎทั้งสามกรณีนําบริคารของพิสูจนนั้นออกไปก็ดีไม่ได้เาตัวออกไปหรอแต่ว่าขนของเข้าออกไปนะครับบริคารเข้าไปอันนี้จะต้องบัตทุกกฎชุดละพิสูจนั้นหรือบริคารของพิสูจนนั้นออกจากอารมณ์ฉันเป็นต้นนะครับ หรว่าเขาอยู่ในโรงชั้นใช่ไหมก็ล่าออกไปนอกของฉันเลยนะครับ<ม>ก็ต้องทุกกดนะ <c oughs> ในการชุดล่าตัวก็ดีบริขายก็ดีอันนี้เป็นทุกกดอย่างเดียวเจ้าอุปจาระห่งมิหารก็ดีนะครับก็คือใกล้ๆบริเวณกุฏินการไม่ได้เข้าไปหรอกแต่ก็ไปอยู่ใกล้ๆกุฏิใช่ไหมก็ล่าแกออกไปนะครับออกไปจากอุปจารานะมิหารนะก็ทุกข์กดเลยชุดล่าอนุปสัมบัติหรือบริขาร์เขาอนุปสัมบัตออกจากมีหารก็ดี จากปร่าละมิหารก็ดครับให้พุนฉุดก็ดีต้องบรทุกกดทั้งนั้นถ้าทําการประสัมบางสมเนไพเป็นตนน้นนะก็จะต้องใอาบัาทุกกดอย่างเดียวนะครับทุกกองมันนี่นะถ้าเขาจะพูดถึงุูล่าออกจากลงฉันใช่ไหมจากป่าล้มจากใต้ต้นไม้จากที่แจ้งหานี่ครับอันนี้ก็โดยทุกกดทั้งนั้นนะครับ แล้วการตั้งอันบัตรผูกกดนั่นและพึงสร้าบด้วยการนับจํานวนบริหารบรรดาบริหารที่ไม่ได้ติดเนื่องกันบริหานที่เขาไม่ได้ผูกมัดติดไปอันเดียวกันนะเราไปขนเข้าออไปเท่าไหร่ใช่ไ้มครับโยออกไปกี่ชิ้นนั่นก็ต้องบัตรตานั้นนะครับอะนาบัตรที่สู่ชุนละเอาจาวิหารของตอนกุติเราเองไม่มีปัญหาเข้ามายังไม่คุยไม่รู้เรื่องละออกไปเลย เลื่อนเข้ามาฝากนครับแต่ป เ, เป็นการตกดีนะถ้าลาและทขาไม่เชื่อแล้วก็ไปทำร้ายหลังการ้ขาเป็นโดยตัวนะครับแต่ น, นี่แค่เราไปฉาไเฉยๆไป็นไรเพราะปฏิเสนธิ์ตัวเรานะรหรือไล่ออกไปก็ได้นะหรือจากวิหารของพิสูจนผู้ค้นเคยกันก็ดีอันนี้ก็ได้นะครชุนร่างพิสูจนผู้มากก่อความทะเลาะวิวาทหรือบริการของพิสูจนนั้นออกจากอารามสมทั้งหมด หรือให้ผู้่นจัดจา ก, การแทนก็ดีถ้าเป็นพระที่มั่งก่อการทะเลาะวิว่าเลยไล่จะวัดไปได้เลยนะครับทั้งตัวทั้งของนะอันนี้ไม่ดีนะครับควาขึ้นไม่ดีแรกได้เ ล, เลย <c oughs> เพราะว่าถ้าอยู่แก่อยู่แก่ทําให้สองลำบากนะอยู่ไม่ขานสุขนะครับชุดลาบที่สวดอนานต์ชีออกจากที่อยู่ของตนกด็ดีอันนี้ได้นะวิสวดอนันชีนะครับชุดลาบออกจากกุฏิของเราเองนะที่เราอยู่นะ่ะ แกเข้ามาแกอะไรใช่ไหแล้วก็อาบไปเลยนะครับลากราบไปเลยอันนี้ได้นำพิสูจน์บ้าออกไปก็ดีเนี่ยนะพิสูจน์บ้าออกไปก็ดีนะฉุดล่าหรือให้ฉุดล่าอันเตว่าสิ่งและสันติวิหารผู้ประพฤติไม่ชอบก็ดีก็ได้นะครับรู้สิทธิ์รู้หน้าทำตัวไม่ดีประพฤติไม่เรียบร้อยนะมีมารายาทที่ไม่สมควรบอกล่าแนนะนําไม่เชื่อฟังนะครับอันนี้ก็ฉุดออกไปได้ นำบริหารของพวกเธอออกไปด้วยก็ดีอันนี้ก็ได้ตนเองเป็นบ้าก็ดีไม่ต้องอาบาตัตองอาบัตสิขรับวันนี้เอาสามเหล่านี้คือหนึ่งวิหารเป็นของสองต้องกุติที่วัอสองนะสองปีสูที่ฉุดล่าไม่ใช่ผู้ท่อความสะเลาวิวาสเป็นต้นใช่ไหมไม่ใช่ผู้ท่ความสะเลาวิวาสไม่ใช่อารัญชีไม่ใช่ลุศลุหาที่ประพฤตไม่ชอบนะครับเป็นภาพธรรมดานะ นั่ก็ดีนะแต่ก็ไปฉุดออกไปสามฉุดล่างเองหรือให้ผู่นฉุดล่างด้วยความโกรธนะครับไม่พอใจนะล่าถูกไปเลยนะครับอันนี้เมื่อครองศาก็ต้องบัดไปตีนสิกาบทนี้สมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับในอาทินาทาสิกาบทคือยังไงครับการจิตครับกายวาจจิตเนี่ยจําได้แล้วมีจิตจิตเป็นยังไงครันนี้ จิตโกรธนะครับไม่พอใจนะก็ได้ออกชีวก็ได้การก็ได้ด้วยวาจาก็ได้อยู่ทั้งกายและวาจาก็ต้องอับอายทั้งนั้นนะครับแต่สิขาวันนี้มีพญานาเป็นทุกอย่างเดียวแหละพอใจเป็นโทส ะ, ะ, ะทุกอย่างนะจงการที่บาสนี้กัตนะสิขาบทเจ้าคนนี้ <c oughs>